มหาปรินิพพา น, นสูตรทีคณิกายมหาวัฏเนี่ยนะก็แ k มงวดเข้าไปใกล้ที่พระผู้มีพระภาคจะดับขันธท่าปรินิพานโดยเนื้อความในพระสูตรซึ่งการปรินิพานของพระพุทธเจ้าอันนะีคู่ควรแก่การสังเวชแม้ขนาดว่าผู้สังสมบุญมาระดับนั้นพระองค์ยังต้องดับขันธท่าปรินิพาน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 กรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพเชียงรายหรือไม่ก็นู่นแหละภาคใต้จดนะสมมติว่าหรืออาจจะเดินทางแถวสงขลาหรือภูเก็ตเป็นต้นเน่ยเชียงรายอย่างเงี้ยเชียงรายสงขลาสงขลาเชียงรายอย่างเงี้ยเดินทางอย่างั้นเดินจริงจริงนะไม่ใช่เดินแบบไม่ใช่เดินทางแบบเราโดยแต่เชื่อนะแต่ว่านั่งเอาแล้วบอกว่าเดินทางนะนะแบบในยุคเราเราพระองค์เดินจริงๆเลยแล้วก็หนทางนั้นไม่ใช่ว่าจะไม่มีแดดไม่ใช่ว่าจะไม่มีฝนไม่ใช่ว่าจะไม่มีหมอกไม่มีน้ําค้าง นนะก็ตลอดระยะเวลา45ปีอันนะี้มองในแง่ของพระองค์เองพระองค์ก็เหน็ดเหนื่อยมากเนี่ยนะเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สัตว์ทั้งหลายนี้ในหนึ่งอีกในหนึ่งถ้าเราคิดว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ที่เตรียมตัวเตรียมตัวมาดีว่ากันได้เตรียมตัวมาดีพระองค์นี้เตรียมตัวมาสี่อสงไขยแสนกับเนี่ยนะแล้วก็ ท, ท, ที่ที่สำคัญมากก็คือว่าชีวิตสุดท้ายเนี่ย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 พระองค์นั้นพ้นแล้วถึงจะเหน็ดเหนื่อยบ้างแต่พระองค์ก็พ้นแล้วเขาเหล่านั้นสิยังไม่พ้นอะไรเลยเนี่ยนะเขาเหล่านั้นยังไม่ได้อบรมศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทัศ น, นะเขาเหล่านั้นไม่มีคุณธรรมไม่มีคุณธรรมพอที่จะปิดอบายทุกขติวินิบาตนรกเป็นต้นนั้นเขาเองก็กําลังทุกกําลังร้อนกําลังเดือดร้อนนั้นอะไรที่พระองค์จะช่วยเหลือเกื้อกูลสงเคราะห์อนุเคราะห์ปโปรดเข้าได้พระองค์ก็ทํากิจเหล่านั้น ในส่วนของพระองค์แล้ในส่วนของการอบรมตนของพระองค์พระองค์ก็อบรมตนของพระองค์จนเต็มเปี่ยมและบริบูรณ์กิจเหล่าใดที่ควรจะช่วยเหลือเกื้อกูลสงเ ค, คราะห์อนุเคราะห์แก่สัตว์เหล่าอื่นพระองค์ก็สงเ ค, คราะห์อนุเคราะห์แก่สัตว์เหล่าอื่นอยา่างครบถ้วนบริบูรณ์นันะคือปัญญาเนี่ยเป็นเหตุให้พระองค์เนี่ยอ บ, บรมตอนอย่างเสร็จสิ้นนะเจริญคุณธรรมของพระองค์เองจนเต็มเปี่ยมบริบูรณ์จะเรียก ว, ว่าพระสุคต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 ได้รับแสงอาทิตย์แบ่งบานก็ส่งกลิ่นหอมเนี่ยนะนะแล้วก็ไม่ได้แปดเปื้อนด้วยน้ําและโครนตมเหล่าใดไม่มีสีไม่มีกลิ่นแห่งโครนตมอยู่เลยพระองค์นี้เกิดขึ้นมาในโลกนะประกอบด้วยชาติชราเช่นกับสัตว์ทั้งหลายแต่พระองค์ก็ทํากิจในโลกเนี่ยนะนะทำกิจกําหนดรอบรู้ลูกทํากิจตัดเยื่อใยตัดอาไลาอาวรนตัดฉั้นธาคะในโลกอย่างเสร็จสิ้นแล้วพระองค์ก็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 พระรองค์ไม่โลภไม่โกรธยามเมื่อตามองเห็นพระองค์ไม่โลภไม่โกรธเมื่อหูได้ยินพระองค์ไม่โลภไม่โกรธเมื่อจมูกรู้กลิ่นพระองค์ไม่โลภไม่โกรธเมื่อลิ้นรับรู้รสโดยที่สุดแม้แต่รสชาติอันเป็นของทิพย์พระองค์ได้รับสัมผัสเนี่ยนะไม่ว่าโ othaparam ที่มาจากกรรมชรูปชั้นดีโ othaparam ที่มาจากจิตชลูบชั้นดีอุตตุชรูบอย่างดีอาหารชรูบ อย่างดีและจิตตะรูปของพระองค์นั้นระดับปฐมฌานเป็นต้นพระองค์ไม่ติดข้องในรูปเหล่านั้นเลยมันความสุขทุกเหล่าใดที่ควรมีในที่มีในกายพระองค์ไม่มีฉันทราค้าในสุขเหล่านั้นพระองค์ไม่มีทุกโทมนัสในทุกเหล่านั้นเลยพระองค์รับสัมผัส ด, ด้วยกายราะพระองค์ไม่มีอภิชาและโทมนัสนะะพระองค์กาจัดอภิชาด้วยสมถะนะกจัดโทมนัสด้วยวิปัสนา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 ไม่เคยทยองไม่เคยอวดดีอวดเก่งหรือเป็นคนจําอวดมีมายาเจ้าเล่ห์เลี่ยมเล่นลิ้นเป็นดนไม่มีโดยประการทั้งปวงแต่ว่ามีแต่ความสุดจริตใจมีแต่ความจริงใจที่มีต่อสรพรพสัทว์ทั้งหลายนั้นพระองค์จึงไม่เอ่แปดเปื้อนด้วยบาปและอกุศลธรรมเลยแม้แต่นิดเดียวอกุศลธรรมเหลาใดแม้แต่ว่าสังสารวัฏ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 ตลอดระยะเวลาของชีวิตของพระองค์ก็แสวงหาศีลทั้งที่เป็นโลกียาศีลและโลกุตระศีลแสวงหาสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาชีวะแสวงหาความบริสุทธิ์ด้วยกายวาจาและอาชีพตลอดระยะเวลาชีวิตของพระองค์ก็แสวงหาสมาธิแสวงหาสัมมาวายามะสัมมาสติ <m ock. S 1> <hur coefficient> สัมมาสมาธิตลอดระยะเวลาของพระองค์ชีวิตของพระองค์ก็แสวงหาปัญญา สแสวงหาสัมมาทิฐิสแสวงหาสัมมาสังกัปปะปัญสีลสมาธิปัญญาของพระองค์ก็ตั้งไว้เพื่อวิมุตคืออริยมรรคทั้งหลายอริยผลทั้งหลายอยันทั้งเจโตวิมุตปัญญาวิมุตเจโตวิมุตคืออรหัตผลสมาธิปัญญาวิมุตคืออรหัตต อ, อรหัตผลปัญญาพระองค์ก็ตั้งเป้าหมายเพื่อศีลสมาธิปัญญาวิมุตแล้วก็มีวิมุตติญาณทัศนะ รอบรู้วิจัยใคร่ควรขันอันเป็นที่ตั้งแห่งอภิชาขันทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งบาปอากุศสลธรรมทั้งหลายพิจารณาขันทั้งหลายเนี่ยนะแล้วก็สามารถที่จะพิจารณาแล้วตัดฉันทราคะในอุปาทานขันห้าได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และบริบูรณ์นี้พระองค์นั้นเป็นผู้ที่สมบูรณ์เนี่ยนะเนื่องจากว่าพระองค์นี้แสวงหาคุณธรรมเหล่านี้และคุณธรรมเหล่านี้ก็ได้มีแก่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 เราก็ตั้งไว้เพื่อให้เจริญปัญญาพระองค์สแสวงหาวิมุตติสแสวงหาวิมุตติญานตทัศนะเราทั้งหลายก็ควรจะตั้งไว้อย่างนั้นพระองค์เนี่ยสแสวงหาคุณธรรมเพื่อก้าวล่วงสังสารวัตรก็คือก้าวล่วงพ้นโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปาญาเราทั้งหลายก็ควรจะสแสวงหาธรรมเป็นที่พ้นจากโสกะปริเทวะนะพระองค์สแสวงหาธรรมเป็นที่พ้นจากโสกะปริเทวะ พระองค์เนี่ยตั้งจิตไว้เพื่อแสวงหาสติปทานเราเองก็ควรจะตั้งจิตไว้เพ <of humanity. S 1> <that> ื่อเจริญสติปทานพระองค์เนี่ยตั้งตนไว้เพื่อเจริญสัมมาปทานอิธิบาทอินทรีศีพระละโภชงองค์มรรคอริยมรรคทั้งหลายเราเองก็ควรตั้งจิตไว้เพื่อโพธิปัยจะธรรมเพื่อการตรัสรู้เพื่อตรัสรู้ตามทั้นถ้าเราตั้งจิตไว้อย่างนี้ก็เชื่อว่าตั้งจิตไว้ชอบแต่กล่าวรวมรวมสรุปสรุปก็คือว่า ควรตั้งตนไว้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรูท้ทมเหล่าใดนะพระองค์กําหนดรอบรู้กองทุกเหล่าใดขอเราทั้งหลายเพ่งเป็นผู้กาําหนดรอบรู้กองทุกเหล่านั้นด้วยนะพระองค์ละบาปอากุศลกิเลสทั้งหลายเหล่าใดก็ขอให้เรานั้นได้ละบาปละอกุศลละกองกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นด้วยพระพุทธเจ้าทำให้แจ้งทำใดเป็นธรรมที่ดับชราและมรณะเป็นต้นขอให้เราทั้งหลายเนี่ยได้